จะปล่อยชีวิตไปตามยาถากรรมคาว่าปล่อยชีวิตไปตามยาถากรรมนั้นก็ถูกเลยนะ <c oughs> คือกรรมชั่วให้ผลมาได้รับความทุกข์ก็จมอยู่กับความทุกข์กรรมดีให้ผลมามีความสุขเลยหลงเริองอยู่กับความสุขเปล่อยชีวิตไปตามเวียนตามกรรม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 เราต้องฝึกถ้ า, าไม่ฝึกไม่เอาศีลเราทำมาฝึกจิตฝึกใจเรามารมันก็เอากิเลสมาฝึกจิตฝึกใจเราใจเราก็จะไหลลงต่ําไปเรื่อยๆใจที่ลงต่ํนั้นมืดบอดดำมัวหนักแน่นไม่มีความสุขเล้าร้อนงั้เรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีไม่ให้มีอะไรดีเท่ากับการฝึกตัวเองลง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 บอกว่าเนี่ยท่านจิตมันทุกวันนะมันจะคิดว่าทำยังไงจะพ้นทําังไงจะพ้นจิตมันดิ้นทุกวันนะหาทางพน้นทุกคล้ายๆอ้อมไปรอบภูเขาเลยจะขึ้นเขาให้ได้อ้อมไปทางเนี้ยตรงนี้ถ้าจะดีขึ้นไปขึ้นไปสักพักหนึ่งบอกนี่ไม่ใช่ทางต้อถอยลงมาใหม่อ้อมไปอีกนะไปเจออีกช่องหนึ่งเอขึ้นอีกช่องหนึ่งขึ้นไปหน่อยเดียวเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ทางต้อถอยลงไปอีก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 พูดแต่ความจริงไม่ได้โกหกเป็นปล่อนหลอกลวงจิตใจมันมีความสุขคนเรามีสติไม่คี้เล่าเมายามีสติสามัชญชนญาอยู่มีความสุขคนไม่มีสติคี้เล่าเมายาไม่มีความสุขดังนั้นเรามีศีลเราก็จะได้ทำอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งเราก็ได้เรื่องความเมตตากรุณามาเรามีศีลข้อสองเราได้เรื่องทานมา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 จะต้องรีบมาอยาหาที่จอดรถยากใจจะมาอยากฟังเทศใจก็ ร, ร้อนๆโอ้ต้องแย่งกันจอดรถอะไรอย่านี้ลำบากหรืออยากนั่งหน้าไม่รู้จะนั่งทำไมนั่งข้างหลังก็ได้ยินเหมือนกันอยากนั่งหน้าโอ้ยตารีตารานมาเนี่ยโลภความโลภมันนำมานะรู้ทันมันน่พวกนั่งหน้าเห็นหน้าซ้ำๆพวกนี้จองคิวเก่ง มาฟังเทศได้เดี๋ยวๆอยากไปที่อื่นลนะใจก็หนีไปและใจไม่อยู่กับปัจจุบันมันไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันพนะยายามให้มันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแม้แค่นี้ก็มีความสุขทั้งเยอะละหายใจออกก็ฟุ้งซ่านหายใจเข้าก็าฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวลบกลดลงก็เกิด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 การใจข้ารู้สึกใครใจออรู้สึกฝึกไปและเวลาจนตัวเวลาจะตายธรรมะจะมาช่วยเราอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ําพอเริ่มเกิดอุบัติเหตุนะครับรถไปอยู่ยางแตกยางแตกโป้งโป้งแรกตกใจพอรถมันหมนุนจิตมันถอดตัวมามัตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วรถพลิกไปกี่รอบรู้หมดเลยะ หัวกาลังจะโขกฝาข้างนี้หลบซะหน่อยนะเฉียวแค่หูอย่างนี้นะเนี่ยจะช่วยตัวเองได้หรือเวลาเจ็บหนักจะตายนะเจ็บหนักจะตายคนที่ไม่เคยฝึกโอ้ยมันถูกความทุบบีบคั้นนะทุรนทุรายจิตทุรนทุรายสุดท้ายก็ตายไม่ดีอย่างพวกเราฝึกของเราทุกวี่ทุกวันทำในรูปแบบไปนะฝึกให้จิตใ จ, ใจตั้งมั่นอยู่กับเน้อกับตัว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 ตอนนั้นยังไม่ได้บวชนนะ่ะเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยบันทึกเสียงไว้หลวงพ่อประโมทบอกหลวงพ่อขับรถไปนะตอนนั้นเป็นคาราวาสก็ขับรถไปจะไปดูนกปากห่างแถวปทุมอนะ่ะเราขับแต่ในกรุงเทพไม่เคยขับรถบ้า น, นอกไม้เสะพานที่หัวมันแบนๆนะไม่รู้จักสะพานอย่างเนี้ยเคยเห็นแต่สะพานโค้งกลมๆวิ่งก็กลมๆไปไม่กระทบกระเทือนเลยวิ่งไปเต็มเหนี่ยวเลยนะ ร้อยกว่าไปชนสันสะพานรถนี่ล อ, อยลอยสี่ล้อเลยหัวนี่ขึ้นไปกระแทกเฟดานรถมองลงไปความตกใจไม่มีเลยนะพอกระเด้งขึ้นไปนี่นะจิตมันก็เป็นคนดูเห็นตัวลอยขึ้นไปกระแทกหลังคารถมองลงไปข้างหน้านะพ้นจากสะพานไปอีกไม่ไกลเนปะ็นโค้งหักศอกเก้าสิบองศาเย่ยหักแห่งนี้เลย ใจมันไม่ตกใจมันเยียบเลยกลางอากาศเยยบเต็มเหนียวเลยแล้วพอรถกระแทกพื้นนะไม่เยียบเต็มที่ละค่อยๆแตะแล้วก็เลี้ยวไปได้นะไม่มีอันตรายเนี่ยจิตที่เราฝึกของเรานะเวลาจวนตัวมันมาช่วยเราได้ยายาฝึกทุกวันต้องแบ่งเวลามาฝึกหิตฝึกใจอย่างน้อยต้องรักษาสีห้ได้นะ ถ้าจะตายจริงๆคิดถึงว่าเรามีศีลเราก็รดอดตัวแล้วบางคนเนี่ยดีกับชั่วพอๆกันถ้าคนไหนทำดีมากเวลาตายก็ไปสุคติเลยคนไหนความชั่วโดดตเด่นเวลาตายก็ไปทุคติเลยพวกกัำกึงเนี่ยจะเจอยมบาปานเราะฉนั้นถ้าคนไหนไปเจอยมบานเนี่ยนะพวกดีกับชั่วกัำกึงกันตัดสินไม่ขาด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 ถ้าหากจิเลตมันคล่อมงำแล้วมันอยากผิดศีลจริงๆแล้วอาศัยการข่มใจไว้นะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราต้องถอยเตือนตัวเองตื่นนอนมาก่อนกินข้าวเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมาวันหนึงสัก้ารอบคอยเตือนตัวเองว่าเราจะตั้งใจรักษาศีลห้าเียนะสมมติว่าสติเราตามไม่ทันแล้วอยากฆ่ามันเต็มทีแล้วสติดูไม่ทันว่าจิตกาลังโกรธกาลังเงื้อมีดจะฆ่าเขาละ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 เบต้ก็ตั้งใจรักษาศีลศีลห้าพอแล้วนะไม่ต้องศีลมากมายหรอกเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งมาส่งกันบ้านมาถึงก็มาถามหลวงพ่อว่ออาผมพิจารณาแล้วเนี่ยศีล5้านี่ก็ทำให้บรรลุมรรคผลได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อก็บอกจะศึกเหรอมาถามนำหรือไม่อ่มาหลอกเราไม่ได้กินหรอก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 ในขั้นที่สามขั้นที่สี่นะขั้นที่จะขึ้นพระนาคาเนี้ยฆราวาสสู้พระไม่ได้ฆราวาสมันไม่เห็นโทษของกามกามมาคุณไม่เคยได้ยินนะกามมาุณไม่เคยได้ยินกรรมากามมาโทษนะอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากโ น, น่นก็ได้อยากนี่ก็ได้สนองไปเรื่อยๆในขณะที่ฟรานะพอความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเลยกลางคืนอยากกินส้มตำเนี้ย จะทุกข์ไม่ทุกข์อ่ะนะทุกข์แน่นอนเลยใช่ไหมอยากได้ผ้าสวยๆอยากได้รองเท้าแบบโยมทุกข์แน่นอนเลยอยากได้วีสวยๆสักอันหนึ่งอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครมาถวายสักทีเนี่ยกลุ่มใจนะพล้วเป็นพระนะมีแต่กรรมมาโทษพรอความอยากเกิดแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดส่วนเป็นโยมเนี่ยความอยากเกิดก็สนองความอยากแมืนรู้สึกสุขงั้นไม่เห็นหรอกว่า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 งันเราเป็นฆราวาสนะเราพาวนาให้เต็มที่เราไม่ได้ด้อยเราไม่ได้ด้อยนะฆราวาสทำมรรคผลให้ให้เกิดได้อยู่ที่เราตั้งใจรักษาศีห้าคอศีห้เท่านั้นแหละไม่ต้องศีแปหรอกศีแปรักษามากเดี๋ยวแปดเปื้อ น, นถือแล้วก็ถือไม่ค่อยได้บางคนถือศีแ8นะก็ไปข่มคนอื่นหลวงพ่อก็เคยเจอมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเพราะหลวงพ่อผู้ใหญ่พาเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆนะ ค้าวัดจะเจอพวกคุณหญ่ที่แก่ตือสีนแปดนั่งโอ้ยแกจะเซลจัดแต่สมัยนั้นเราไม่รู้ว่าเซลจัดนะเรารู้สึกอีแก่นี่ขี้คุยจะรู้สึกอย่างนี้นะไม่รู้จักคาว่าเซลจัดอีแก่นี่ขี้คุยชมัดเลยจะรู้สึกย่งนารักษาศีนตั้งใจนะเอาสีนห้าอละถือสีนไม่ใช่เพื่อไปขม่มคนอื่น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 ต้องมีบ้างบางคนมีมากกว่าเครื่องหนึ่งนะชาร์จอันนี้ต่อชาร์จอันนี้คอยดูเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันชาร์จอีกนะ <c oughs> นี่เราเราฝึกนะเวลาจิตมันตั้งมั่นแล้วมันเหมือนแบบที่ชาร์จเต็มแล้วต้องใช้งานเมื่อก่อนมีครูบาจารย์องค์หนึ่งในนี้น่าจะมีรูปอยู่มีไหมหลวงพ่อทุยหลวงพ่อทูลหลวงพ่อทูล <c oughs> หลว ง, งพ่อทูล หลวงพ่อทูลเคยเทศที่นี่แหละบอกว่าทําสมาธินะมันเหมือนเอาน้ําใส่ในถาดแล้วไปใส่ในตู้เย็นให้มันเป็นน้ําแข็งพอเป็นน้ําแข็งเสร็จแล้วก็ออกมาจากช่องช่องฟรีซเอามาไว้ข้างนอกให้มันละลายพอละลายเสร็จแล้วก็ไปใส่ช่องฟรีสให้มันแข็งอีกนี่คือพวกที่ทําสมาธิทําสมาธิเสร็จแล้วก็เลิก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 พอจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกันตัวแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็ต้องเอาวันนั้นแหละประโยชน์เล็กน้อยคือมีความสุขประโยชน์สูงสุดคือได้ปัญญาต้ขาอของสูงสุดหวังอะไรก็หวังใหญ่ไว้อย่าไปหวังเล็กหวังใหญ่ต้องทําประโยชน์ที่สูงสุดจเจริญปัญญาให้ได้เพรอจิตใจอยู่กับเนื้อกันตัวนะ ดูธาตุดูขันทํางานให้ได้แยกธาต์แยกขันไปการแยกธาต์แยกขันนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในกายก้อนหนึ่งร่างกายก้อนหนึ่งจิตใจก้อนหนึ่งหรือเห็นละเอียดเท่าไห่อีกนะความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจก็มีหรือเวลาความสุขความทุกข์เกิดที่ร่างกายจิตใจเกิดความยินดียินไลชอบไม่ชอบขึ้นมาเกิดราคะโทสะขึ้นมา ราคาโทรศส์ก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจนะค่อยๆแ ย, แยกแยกแยกไปดูเมื่อวานนะมีเรื่องหลวงพ่อราประทับใจมากปรับปรือมมีเน้นเน้นตัวกับเพี๊ยกเดียวมาจากประเทศลาวเพื่อนฟังซีดีเนาะเพื่อนฟังซีดีว่าโอ้เนเนเนี้พอนาดี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 สั้นจุดจุ่เป็นได้นิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันก็แยกเดี๋ยวมันก็รวมนึก อ, ออกไหมมันไม่ผ่านอัปน า, านะมันไม่ผ่านอัปนาจะถึงฌานที่สี่นะถ้าตาอปนาเราลึกเข้าไปถึงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะสมาธิสูงขึ้นไปจนร่างกายหายไปโรคหายไปพอนะกลับมามีโลกมีร่างกายมันจะรู้สึกไอ้โรคกับร่างกายเนี่ยคนละอนกับจิตพวกนี้จะภาวนาสบาย แต่ก่อนที่พวกนี้จะสบายพวกนี้ลําบากมาก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆก็สบายมาแต่เกิดลงมาอยู่ๆก็ได้มาด้วยการเกิดไม่ใช่ทุกอย่างต้องฝึกฝนทำตัวเองมานี่เด็กๆนะเด็กสิบกว่าขวบเองนะตัวกับแยกเดียวโอ้มันส่งกันบ้านเสร็จนะเอพระกราบ mm. เสร็จ mm. เน้นน้ำกราบกราบแล้วผมพ่อไปรูปหัวนะเน้นนะ้ำตาต า, ตาแดงเลยโอ้ปื mm. ้มปลื้มปลื้มภาวนา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 คนใหม่ๆบางที่ฟังซีดีเดือนสองเดือนขันมันแยกแนละ้วเพราะแต่ก่อนไม่ค่อยเทศเรื่องพวกนี้พวกรู้สิษย์รุ่นแรกเนี่ยเป็นพวกติดสมาธิมาก่อนต้องแก้พวกที่มาทีหลังเนี่ยเป็นพวกไม่ค่อยสนใจปฏิบัติไม่งั้นไม่ได้มีสมาธิอะไรหรอกมีแต่ความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องประดับนะเป็นอาพรไมงั้นพวกนี้ใจมันฟุ้งอยู่แล้วนะใจมันไม่ต้องแก้สมาธิหรอกแค่ฝึกให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัว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 แต่ถ้าเห็นความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูก็จะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอางนี้ภาวนาได้เรงันขันหเนี่ยแยกอย่างน้อยเป็นสองนะแยกสองเอาให้ชำนาญสักคู่เดียวก็พอละเนี๋ยตัวอื่นได้ฟรีจ ะ, จะได้แถมมาไม่ยากอะไรนี่พอเราจเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะศีล ส, สมาธิปัญญาอะไรเนี่ยค่อยๆแกะกล้าขึ้นทุกวันทุกวัน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 ต้องฝึกพอฝึกจนถึงขั้นสุดท้ายไปแล้วเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยมันถูกปล่อยวางออกไปมันทิ้งออกไปมันกลายเป็นธาตรู้แต่เวลาที่จะใช้จิตทำงานกับโลกใช้จิตให้ทำงานที่เป็นสมมติบัญญัติก็ใช้ตัวรูนะ้แต่ว่าไม่ได้จับตัวรู้ไว้ค่อยฝึกนะงั้นเวลาที่เราภาวนานั้นเราภาวนาได้มากแล้ว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 รับสักษาสืบทอดไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยมานั่งเทศอยู่เป่าๆถามว่ามาสาราลุงชินอยากมาไหมอยู่วัดสบายกว่าคนก็ไปฟังเต็มวัดเหมือนกันทำไมมาที่นี่ครูบาอาจารย์ฝากไว้ฝากกันมาเป็นทอดๆนะหลวงปู่หลวงพพุทธท่านก็ฝากไว้ฝากว่าอย่าทิ้งสาราลุงชินนะหลวงปู่เหรียญท่านก็บอกนะก็ต้องดูกันมาเป็นทอดๆมานี่แหละ เราก็จะมาเทศไปเรื่อยๆนะจนกว่าศาลาลุงชินจะทิ้งเราถึงวันหนึ่งเขาต้องทิ้งเราแหล ะ, ะกรรมการที่มาจาัดงานนี่แก่ๆทั้งนั้นเลยเอาพอสมควรแก่เวลานะต้องรักษาธรรมะนะการฝึกให้ได้ธรรมะให้เข้าใจก่อนไม่ใช่เห็นใส่เหลืองๆเขาเป็นพระเขาเชื่อได้เลยไปเชื่อนะเอาใครจะส่งเอินบ้าน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 มันก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตก็เป็นตัวไปรู้เข้าอก็คิดว่าอย่างเนี้เอจะถูกไหมถูกถูก<ะ>แต่ว่าความร้อนไม่จําเป็นนะครับ<ะ>เราเอาสิ่งที่อยู่ในตัวเราคือขันห้าความร้อนมันอยู่ข้างนอกครับ<ะ>แต่เราการที่เราเห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งจิตอันหนึ่งเนี้ยอันนี้ถูกเป้เลย<ะ>นะก็ก็มองดู ส, สภาพวธรรมที่อยู่ต่อหน้า ก็เป็นขันห้าทั้งนั้นที่แยกให้เราดูออแล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูด้วยผมก็ไม่ทราบว่าถูกรึเปล่าที่ยอมภาวนานถูกเป๊ะเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ภาวนาอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วกเ็เมื่อสองท่าวันเนี้ยภาวนาไปเนี่ยภาวนาไปเนี่ยรู้สึกร่างกายมันหายไปผมก็ไม่ไม่ทราบว่าจะทำ ทำอย่างไรไแต่ไม่กลัวก็นั้นเป็นสมาธินะครับจิตเวลาที่เราแยกขันแล้วเราเดินปัญญาเห็นใจรักเกิดดับเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยมันไม่เดินปัญญารวดหรอกบางทีเดินปัญญาอยู่ช่วงหนึ่งมันจะพลิกไปทำสมถะนันทําของมันเองนะถ้ามันรวมลงมาเนี่ยบางทีโรคนี่หายไปเลยเหลือจิตอันเดียวครับยังเหลือจิตอยู่ไหมลน่ะ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 ครับขอบคุณและขอถวายการปฏิบัติเป็นเครื่องบูชาด้วยจ้สาธุที่รฟรริดานี่ยหลวงพ่อไปเทศมาสองรอบได้เกิดมีทีมอยู่นะฝึกกันจริงจัง <คน S 2> อ้าคนต่อไปนนการน้ำมาสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านช่วงหกเดือนนะคะฟูงน้อยลงยัง ก็เวลากลัวฟุง้งกลัวคิดนะคะ่ะจะคอยดูจิตที่หลงไปคิดะคะ่ะก็จะใช้พุทโธช่วยอะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เพ่งขึ้นหรือเปล่าอะคะ่ะถ้าถ้ามันเพ่งไวจะแน่นนะแต่ระหว่างเพ่งกับเผลอนะเพ่งนิดหน่อยดีกว่าเผลอเพ่งไปนิดๆดีกว่าเผลอนะแต่ถ้าเราปล่อยเต็มที่เนี่ยแล้วเราเผลอไปเนี่ยไม่ดีอันตรายแต่ว่าตอนนี้เพ่งแรงไปนิดนึง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 คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะให้กันบ้านแล้วนะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆรู้สบายๆจิตมันสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้โลบปลืดหลงก็รู้รู้แ ล, ล, ล่นๆไปเรื่อยรู้ตัวนี้บ่อยๆคือหนูจะแบบดูไอ้ตัวไหลไปคิดอะค่ะ อ, อแล้วก็จะเหมือนเห็นแบบเป็นสองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีสมมุติเราจะนอนอย่างเงี้ยเราก็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 ดูความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่าเพ่งไว้ถ้าความรู้สึกยังเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะใช้ได้การ น, นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะหลวงพ่อคือหนูได้ซีดีหลวงพ่อโดยบังเอิญนะคะ ห, หนูซื้อหนังสือแนวทางปฏิบัติธรรมทา ง, างพุทธศาสนาแล้วมีมซีดีเห็นไหมเพราะว่าไปซื้อหนังสือมาค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 ก็จะมาถามหลวงพ่อว่าที่หนูทําถูกต้องไหมคะถูกหนูเห็นไหมว่าขันมันแยกได้หนูเห็นรู้สึกแม้กายกับใจแยกกันได้สุขทุกข์ก็แยกออกไปได้หนูเห็นความโกรธดับครั้งแรกอะค่ะนึเออใจนันนึกถูกมันหนูเพิ่งโกรธอยู่แล้วพอหลวงพ่อบอกให้ให้รู้พอหนูนึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อบให้รู้พอหนูรู้ปุ๊บมันหายวับไปเลยนั่นแหละมันเวลาสติเกิดนะกิเลสจะดับ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 ที่หนูปฏิบัติถูกต้องแล้วนะครับไปทําอีกหูต้องทําซ้ําไปอย่างนี้ํานะคะส่วนซีดีหลวงพ่อนะไม่ต้องไปซื้อหรอกมีกแจกเยอะแยะไปนะค่ะตอนนี้ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยคนที่เข้ามาขอไปพิมพ์เขาฉลาดเหมือนกันนะเขาบอกบางคนเนี่ยมันไม่เคยเข้าวัดซีดีหลวงพ่อแจกอยู่ตามวัดพวกไม่เคยเข้าวัดเนี่ยเข้าแต่ศูนย์การค้าเข้าแต่ซุปเปอร์เข้าแต่อะไรอย่างนี้นะ พิมพ์ขายไปเลยถ้าเอาไปแจกตามข้างถนนนะมันจะไม่อ่านหรอกคงเอาไปช่างกิโลแต่ถ้าเสียตังค์แล้วนะคงะอยากอ่านบ้างเนี่ยเขารู้จักจิตวิยานะก็ได้ผลนะมีบางคนนะเขาซื้อไปอ่านเป็นนักโทษด้วยได้อ่านอพอนาขึ้นมาได้ติดคุกอยู่จิตใจยังมีความสุขเลยนี่พวกเราไม่ต้องทดลองนะไม่ใช่ต้องลองทุกอย่างไม่จาเป็นหรอก อาตอไปนัส ก, การค่ะหลวงพ่อขอถวายการปฏิบัติในรอบสองปีกว่านี้ส่งขันบ้านครั้งแรกอปฏิบัติมาสองปีกว่าขอถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อประโมุค่ะคสาธุสาธุาธก็ปฏิบัติมาสองปีกว่าเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกค่ะแะเดินทางมาไกลมากก็ดูเอานะขันมันแยกได้แล้วก็ดี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 เหมือนกันแห<ช><ช>ละหลวงพ่อไปประเทศอื่นเขาถามเขเหมือนกันอันนี้ดีใจที่ได้ส่งกันบ้านอ่ะต่อไปกล่าวนรมบัตการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ก็ในช่วงขณะนี้นี่มันจะเห็นจิตเกลียด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 ฟังไม่ดีมันเป็นสภาวะที่เสมอกันเราไม่มีหน้าที่ที่จะชอบดีหรือเกียรตชั่วแต่เรามีหน้าที่รู้ในสิ่งที่มันเป็นแล้วก็มันก็แบบโอ้มันเข้าใจขึ้นมาในขณะนั้นนั่นนะคะเข้าใจแล้วเราก็ไม่ยึดถือนะไม่ยึดถือในความรู้ความเข้าใจนี้ค่ะเราก็ดูของเราต่อไปเหมือนเดิมค่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปคิดนำตามความเข้าใจปัญญาเกิดแล้วอยาให้ปัญญามาเป็นภัยกับเราเจ้าค่ะ ปัญญาที่กลับมาเป็นภัยคือพอภานาแล้วพอเข้าใจนะพอรู้อะไรเนี่ยนะต่อไปพอไปภาวนาอีกเนี่ยมันจะคิดนํำเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเสมอกันหมดพออะไรโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เราเสมอกันหมดอย่างนี้เลยไม่ได้ทําวิปัสสนาสติดูสภาวะเกิดดับต่อหน้าต่อตาไปเร่อยๆภาวนาโง่ๆไว้ปัญญานะก็มีโทษเหมือนกันนะปัญญา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 สกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกราบมรดกสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วรู้สึกจะปีกว่าค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปทําสมาธิเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้เปิดไฟทําสมาธิค่ะช่วงนี้ก็ความกลัวตรงนั้นก็หายไปแล้วค่ะก็แล้วก็รู้สึกจะเห็นสภาวธรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะก็อยากจะขอเดี่วทางแล้วก็ทําถูกแล้วนะคะ มีความอดทนสอนแล้ทำก็ทำใช้ได้เห็นความพัฒนาของตัวเองไหมเห็นทำถูกแล้วละต้องทำอีกทำไปเรื่อยๆนะขอกันบ้านนะคะทำต่อทำต่อเหมือนเดิมนี่ไดยเหมือนเดิมเลยทำถูกแล้วถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อ เห็นไหมว่าบางครั้งจิตมันเริ่มเดินปัญญาเห็นเห็นบางครั้งบางทีนอนอย่างเงี้ยเคลื่อนกายเคลื่อนไหวนี่จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเยอยเห็นบางทีก็จะกลัวเหมือนกันฮะหลวงพ่อตกใจว่ามันตัวอะไรขยับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกถ้าจะใส่ชื่อก็เรียกว่ารูปมันเคลื่อนไหวค่ะนะไม่มีคนสัตว์เราเขาอะไรหรอกนั่นแหละจิตมันเดินปัญญากับขอบพระคุณค่ะ า ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ครั้งนี้เป็นส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะออก็ที่ปฏิบัติมาก็คือว่าออฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วะคะ่ะก็มีปฏิบัติโดยปฏิบัติในรูปแบบนะคะก็จะดูพองยุบอะคะ่ะแล้วก็ระวังระวังวันก็คือจะดูร่างกายเคลื่อนไหวอะคะ่ะก็เวลาดูพองยุบดูร่างกายเคลื่อนไหวก็จิตอยู่ต่างหากนะ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 มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างโกรธหรือว่ามีความสศกอะไรพวกนี้คะ่ะก็คือรู้ทันแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันจะมองไม่เห็นว่ามันแบบว่าดับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันก็จะพอเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะก็จะรู้แต่ว่าเลยไม่แน่ใจว่าสติสติเรายังไม่เร็วค่อยๆฝึกน ะ, ะที่มันเปลี่ยนในอันอื่นเพราอันเก่ามันดับไปที่เราดูคล้ายๆเราสุ่มดูตรงเนี้ยแล้วเราก็เลิกดูไปเจออันใหม่แล้วถึงจะดู มันดูได้ไม่ต่อฝึกไปเรื่อยๆต่อไปไมันเห็นตั้งแต่เกิดจนดับได้ค่ะก็ต้องดูตามติดคือกลัวดูเยอะๆแล้วมันจ ะ, จะกลายเป็นเพ่งเลยอย่าเพ่ ง, งกันล้กันนะซุ่มๆดูอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปติดเพ่งนะค่ะอย่างนี้มันยังค่อยพัฒนาไปได้ค่ะที่ปฏิบัติในรูปแบบนี้ไม่แน่ใจว่าทําถูกไหมคะหลวงพ่อถูกถก้าทําให้ถูกจิตไม่เป็นอย่างนี้ค่ะได้ค่ะแล้วอย่างนี้หนูต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลวงพ่อคะ ขี้โมโหไหมขี้โมโหค่ะเออนะนั่นแหละมีบุญจิตมันโมโหขึ้นมาให้รู้ทันโมโหขึ้นมาให้รู้ทันนะมันแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆกระทั่งในการภาวนาเราก็รู้ไปเรื่อยๆก<ะ>ิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอาภานาไปเรื่อยๆถูกแล้วคขออีกคําถามนึงนะคะคือคือเวลานั่งสมาธิอะคะ่ะหลวงพ่อคือมันเหมือนหลังๆอะคะ่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนนั่งนั่งคือพอรู้สึกตัวแต่ว่ามันเหมือนจะ มันเบิบขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะเลยอะไรเบิบไม่ไม่แน่ใจคือเป็ว่าบางทีนั่งนั่งอยู่มันก็มันก็ดูพองยุบใช่ไหมคะแล้วก็บางทีมันก็จะมีความคิดแทรกขึ้นมาแล้วเหมือนมันก็จะคล้ายๆว่าเหมือนมันโล่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจิตมันเป็นสมาธิแต่มันสั้นมากเหรคะเออมันสั้นๆนะมันไม่ได้ท่งไว้ค่ะขอบคุณค่ะมันจะโล่งว่างเป็นช่วงๆค่ะ คือจิต ท, ที่เดินปัญญานะเดินไปถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าไปพักในรู้สว่างว่างขึ้นมาแล้วสัาเดี๋ยวก็ออกไปเดินปัญญาต่อคสลับไปสลับมาคกราบครับพระคุณค่ะหลวงพอ่อครับกราบธรรมศากลหลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาห้ปีวันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวนั่งขัดสมาธิก็ได้นะนั่งท่านี่นนเดี๋ยวกระดูกเสีย วันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นหน้าหลวงพ่อเดินเข้มาก็มีปิติน้ำตาไหลครับก็ขอกราบขอพระคุณหน้าตาหลวงพ่อหน้าสงสารอย่างนั้น <laughs> ใช่ไหมมันเกิดปิติครับหลวงพ่อหลวงพ่อ <laughs> ไม่เคยเห็นหน้าจริงๆของหลวงพ่อวันนี้เป็นครั้งแรกก็ามาส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ต้องขอมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อสำหรับคำสอนที่ใช้เป็นหลักในการเดินทางะ สำหรับคำที่ผมพอจะจำได้กับเพ่งจอง้องหลงไหลไปคิดแยกธาตุแยกขนันสติไม่ตั้งมัน่นติไม่ถึงฐานแล้วก็ในขณะดูเนี่ยมันจะมีตัวนิ่งอยู่ดูหนึ่งก็การปฏิบัิมาก็มีความเข้าใจว่าเราเข้าตั้งแต่ไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจคำเหล่านี้ที่หลวงพ่อมอบให้มาเป็นหลักแต่ว่าในการฟังหลังๆก็ไอ้ความเข้าใจเดิมเนี่ย มันก็รู้สึกละเอียดขึ้นมาขึ้นว่าเออมันจริงจริงแล้วความเข้าใจเดิมเมันยังน้อยไปก็เข้าใจขึ้นมามากเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบ ว, ว่ามันเข้าใจถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์หรือยังนะฮะถูกเข้าใจถูกนะครับแต่ความเข้าใจเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับงั้นอย่างธรรมะเนี่ยเราฟังถึงว่าเรามีซีดีอยู่แผ่นเดียวฟังไปเรื่อยๆนะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกมันขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามภูมิจิตภูมิธรรมของเรา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 ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะย้อนเข้ามาดูดูความเป็นตัวเราที่มันไปลองรับสภาวะต่างๆทีนี้ว่ามันสภาวะมันก็ยังเป็นน้ำหนักแก่จิตอยู่มันยังรู้สึกมีความลอยลัดหัวพันจิตอยู่มันยังไม่ไม่ไม่ค่อยโลง่งก็จะดูถูกแล้วก็จะเดินทางตามที่หลวงพ่อแนะนำต่อก็รู้สึกเป็นหลวงพ่อเป็นบุญคุณนะที่ว่าการเดินทางเนี่ยเป้าหมายเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือของหลวงพ่อผมคิดว่า มันน่าจะเดินไปแล้วมันน่าจะมีแสงสว่างอยู่ปลายทางครั้งนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อมากครับแล้วขอขับนิยนำ้ำอนุโมทนานะของโยมระวังเรื่องปัญญานะโยมปัญญาเยอะงั้นอยให้ปัญญามันล้าปัญญาลําหมายถึงว่ามันสรุปเร็วเราดูปัจจุบันไปเรื่อยๆนะดูไปโง่สบายๆนี่แหละอย่าให้ปัญญามันไปสรุปซะก่อน ฉลาดเกินนี่มีสมาธิคือคือคือการดูบางครั้งสตินี่ผมพอได้แต่ว่าสมาธิเนี่ยผมดูแล้วบางครั้งเนี่ยสัานพี่ผมยังน้อยน้ำหนักยังน้อยแล้วก็บางช่วงนี่ก็อย่างที่หลวงพ่อว่าปัญญามันนํามันถึงให้ฟลุ้งก็ต้องมาอยู่กับกรรมฐานผมก็นับหนึ่งสองสามย้อนเข้ามาต้องถูกอย่างนั้นรู้จักฉลาดเอาตัวรอดไม่งั้นจะเกิดวิปัสสนูนะสมาธิไม่พอในขั้นเดินปัญญาเนี่ยจะเป็นวิปัสสนุใช้ได้อะ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 ต่อไปก็ดูนะสภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยมันมาเองไปเองดูงี้ไปเรื่อยๆนะคือช่วงหลังๆผมเห็นแบบร่างกายนั่งหรือว่าทําอะไรอยู่แล้วมันมีไปเห็นหัวใจเต้นอยู่ข้างในอันนี้คือเพ่งไปหรือเปล่าครับไม่เป็นไรมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อพุทธเน่ยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านทํากรรมฐานเนี่ยเห็นหัวใจเต้นทั้งวันทั้งคืนเลย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 แล้วขึ้นมาฝันแล้วก็ลงไปหลับอีกแล้วก็ขึ้นมาฝันอีกส่วนของเราจิตลงไปพักพอมีแรงแก็ขึ้นมาพภาวนามันก็ลงไปพักแล้วขึ้นมาภาวนาะนี่เราฝึกอย่างนี้แหละได้ทั้งหลับทั้งตื่นอย่ยให้แขร่งเครียดก็แลกันแล้วหลวงพ่อจะมีคําแนะนําอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครต้องใจเย็นๆ น, นะใจเย็นๆโยม <laughs> โยมจะเอาให้ได้ <laughs> โยมรู้สึกว่าสางสารวัฏนี่มันเป็น ยิ่งอยากยิ่งช้านะโยมนะจุดอ่อนคือจะรีบเอาให้ได้เลยหากคอกิเลสตายวันนี้ได้จะเอาเลยโทสามันถึงแทรกไงเปรรมาโยมขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านบูชาหลวงพ่อเปโมทตระโอมุตแล้วก็ บูชาให้เทพพคมเทวาทุกชั้นฟ้าแล้วก็ผู้ที่ได้สงเคราะห์ให้โยมและแล้วทุกท่านได้มีโอกาสได้มาเอาฟังนี่หน้าตรงนี้แหละต้องให้เขาบ้างนะงนการนมมสการค่ะหลวงพ่อะ ม, ม, มีความเข้าใจว่าจิตมันมีกำลังขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยหมายความว่ามันมันเหมือนกับว่ามันเห็นจิตเคลื่อนจากจากอะไรก็ไม่รู้ที่หนึ่งคะที่เหมือนจาก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 สิ่งที่ควรทำนี่คือรู้ลงปัจจุบันไปจิตมีกำลังพอดีดีขึ้นเยอะแล <igraph> ้วฟูกน้อยลงกรรนวมัสการประนีตขึ้นกรรนวมัสการครับส่งกันบ้านครบสิบสองท่านแล้วครับในโอกาสนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินกล่าวคำถวายทานนะครับทุกท <yim> ่านน้อมใจตามครับ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีตีคายยโกภวะ พิวาธนาสีเลสนิจจังวุธาปจายิโนช ต, ตาโรธรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ อ, อ่อนานาอย่าให้ผ่านวันคืนไปโดยไม่ได้ทำ